เดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สนานาสภาวะจิตการเจริญสติในเดือนที่สองทำให้ฉันเห็นตามจริงอย่างหนึ่งคือโลกเนี้ยแบ่งเป็นสองภาคคือภาคแห่งรู ป, ปรธรรมและภาคแห่งนามธมารรมโลกแห่งรู ป, ปรธรรมมีความวิจิตรพิสดารหลากสีหลายสันอาจถูกตกแต่งปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ